23. จิตปกติของมนุษย์ใช้ทำภาวนาได้ดีที่สุดวงเล็บเปิด 16. พฤศจิกายน2550หในวงเล็บสองจุดจุดนาทีห6สวงเล็บปิดมนุษย์ปกติดีที่สุดมนุษย์ปกติเนี่ยใจโลเลเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย เพราะฉะนั้นพบภูมิของมนุษย์นี่เป็นพบภูมิที่เหมาะกับการทําวิปัสสนามากที่สุดพบภูมิอื่นๆจิตมักจะนิ่งๆคงที่อย่างพบภูมิของสัตว์นรกนะจิตจะมีโทสะอยู่ตลอดเวลามีความทุกข์แล้วก็มีโทสะเจืออยู่ตลอดไม่เปลี่ยนแปลงคงที่อยู่อย่างนั้นมีแต่ความโกรธอยู่อย่างนั้นภาวนายากพบภูมิของเปรตมันก็มีแต่ความโลภอยู่อย่างนั้นแหละมันไม่ค่อยจะเปลี่ยนแปลงมันโลภอยู่อย่างนั้นแหละก็ภาวนายาก พภูมิของเดราชานมันใจลอยมันเม่อมันหลงมันฟุ้งซ่านมันก็ฟุ้งอยู่อย่างนั้นแหละคงที่อยู่อย่างนั้นฟุ้งไปเรื่อยไม่มีความเปลี่ยนแปลงภาวนายากพวกเทวดานะมีความสุขพวกพรหมมีความสงบมันก็สงบอยู่อย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นพบภูมิที่ดีที่สุดคือพบภูมิของมนุษย์นี่เองจิตใจของมนุษย์นี่กลับกรอกรวดเร็ว การที่มันเห็นความเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเนี่ยนะเราตามรู้ความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเราจะได้ปัญญาอย่างรวดเร็วเลยเห็นแต่ความไม่เที่ยงเห็นแต่ความทนอยู่ไม่ได้เห็นแต่การบังคับไม่ได้ยังไปเกิดเป็นพรมเนี่ยนะเราจะไม่รู้สึกว่าจิตบังคับไม่ได้เรารู้สึกว่าจิตเป็นของบังคับได้เราบังคับให้นิ่งอยู่ทั้งวันทั้งคืนอยู่อย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นมนุษย์ธรรมดาหลวงปู่ดูลเคยสอนหลวงพ่อว่าเครื่องหมายคําพูดเปิด จิตปกติของมนุษย์ดีที่สุดปิดเครื่องหมายคำพูดคำว่ามนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงพวกเทวดาพวกพรหมนะยังไม่ชื่อว่ามนุษย์ไม่ชื่อว่าใจสูงนะพวกเราเนี่ยใจสูงเพราะฉะนั้นเราเป็นภพภูมิที่ดีที่สุดในสังสารวัตรนี้การได้เป็นมนุษย์วิเศษที่สุดท่านถึงบอกว่าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากนะเราได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อย่างนี้ดีที่สุดแล้ว หน้าที่เราก็คือคอยเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงกลับกลอกยอกย้อนของจิตใจเรานี่แหละ